ลูบ ก, กลัวสิ่งต่างๆอย่างไรสาเหตุถามลูกชายของฉันใกล้สามขวบแล้วเขามีนิสัยขี้กลัวเช่นกลัวใบไม้กลัวหนังสือที่โรงเรียนกลัวแบบที่ไม่น่าจะต้องกลัวทั้งที่ก็เลี้ยงดูด้วยความอบอุ่นมาตลอดตั้งแต่เล็กบางครั้งเอาใจมากไปด้วยซ้ำไม่ทราบว่าจะแก้นิสัยนี้อย่างไรดี ตอบเมื่อเกิดความกลัวแรงๆถ้าเล็งเข้าไปที่จิตจะเห็นมีอาการหดตัวเมื่อถูกกระทบคือหดไวเสยยิ่งกว่ามายราบที่กระเทือนหน่อยเดียวก็หุบราบและถ้าสิ่งกระทบนั้นเป็นของธรรมดาที่คนทั่วไปไม่กลัวก็แปลว่าจิตของคนคนนั้นผิดปกติแล้ว ความกลัวอย่างไร้เหตุผลตั้งแต่ยังเล็กสะท้อนการเกิดมาภายใต้วิบากอย่างหนึ่งซึ่งบีบให้ตกอยู่ในภพของความกลัวครับจากกฎธรรมชาติที่สําคัญข้อหนึ่งคือทํากับคนอื่นอย่างไรผลก็จะย้อนกลับมาเข้าตัวเช่นนั้นนั่นแปลว่าความกลัวของลูกคุณเป็นเครื่องสะท้อนว่าก่อนหน้าที่จะเกิดมาในครั้งนี้ เขาเกาะกรรมบางอย่างกับคนอื่นไว้ให้เกิดความกลัวหรือหวาดระแวงอย่างไม่สมเหตุสมผลตัวอย่างแบบแรงๆที่ทําให้นึกออกง่ายหน่อยก็เช่นเคยอยู่ในกลุ่มทหารหรือกลุ่มโจรที่ชอบสร้างสถานการณ์ให้ผู้คนพัันพึงด้วยความสนุกสนานยิ่งสนุกเท่าไหร่แปลว่าจิตที่คิดก่อบาปยิ่งมีความโสมนัส ซึ่งตามหลักแล้วโสมนัสเป็นปัจจัยฝ่ายนามที่ขยายผลหนักที่สุดวิบากที่ชัดน่าจะได้แก่การมีจิตอ่อนไหวมากอาจเห็นผลทันตาในชาติที่ก่อกรรมแต่พวกทหารอาจมีความเคร้าวและความบ้าบิน่นปทบางจิตอ่อนไหวนั้นไวแล้วค่อยมาปรากฏผลชัดในอีกชาติหนึ่ง พวกที่เคยเล่นสายเวศ ท, ทั้งใสาขาวและใสายดำอันเป็นสิ่งลึกลับก็จะมีวิบากเป็นความรู้สึกวันไหวลี้ลับในชาติต ถ, ถัดมาได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการรับรู้สิ่งต่างๆแบบหดหรือขยายเกินจริงเห็นบรรยากาศมืดครึ้มหรือฟังเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วบังเกิดความวันไหวเสมือนตกอยู่ในสถานการณ์เฉียดตายชั่วขณะเป็นต้น อย่างไรก็ตามเด็กที่เรากำลังพูดถึงนี้มีตัวคุณเป็นแดนเกิดคือเขามาเกิดในท้องแม่ซึ่งคอยประครบประงมให้ความรักความอบอุ่นมาแต่อ้อนแต่ออกได้ก็แปลว่าต้องเคยเป็นคนดีๆธรรมดาๆรรคนหนึ่งไม่น่าจะเป็นพวกผู้ก่อการร้ายหรือพ่อมดหมอผีตามบ้านป่านาเถือน ไม่ได้ทำกายกรรมแลวจีกรรมทุจริตเลวร้ายอะไรสาหัสเกินเยี่ยวยาตรงข้ามอาจเคยเลี้ยงดูลูกเต้ามาอย่างดีหรือเคยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ผู้คนเป็นสุขด้วยซ้ำการมาเกิดกับพ่อแม่ที่ดีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเยียวยาหรือผ่อนวิบากหนักให้เป็นเบาได้และการจะมาเกิดกับพ่อแม่ดีๆ ย่อมต้องอาศัยกรรมดีที่เคยทำเป็นนิดไม่ใช่ดีประเดียวกประดาวเพราะฉะนั้นจึงควรสันนิฐานว่าชาติก่อนเขาเป็นคนดีที่เสมอต้นเสมอปลายคนหนึ่งแต่คนดีก็ก่กออกุศลกรรมได้ตัวอย่างเช่นเคยเพราะนิสัยขี้ระแวงกลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดทั้งความสกปรกที่มองเห็น ทั้งเชื้อโรคที่มองไม่เห็นเพราะใครไอโคลบเดียวอุดปากอุดจมูกตัวเองทันทีทำหน้ารังเกียจให้คนไอรู้สึกว่าตัวเองเป็นอันตรายอย่างไม่เกรงใจหมอบางคนแทบอาบน้ำด้วยแอลกอฮอล์บางทีเป็นห่วงอาหารการกินหรือจะเข้าไปที่ไหนก็กังวลว่าถูกสุขลักษณะหรือเปล่าซึ่งระวังตัวเองไม่พอ ยังห่วงใยแบบเกินเหตุแทนคนรอบข้างอีกจาจีจํชัยจนใครต่อใครพลอยติดอยู่ในกรอบความระแวงอันน่าอึดอัดหรือกระทั่งตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลไปด้วยอีกตัวอย่างที่ทันสมัยแต่อาจไกลตัวคนทั่วไปหน่อยก็เช่นเคยร่วมสร้างภาพยนตร์สยองขวัญจุดขีดเป็นประจำ คือทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้กลายเป็นเรื่องแล้วก็ดูสมจริงสมจังเลอะเกินด้วยชนิดคนดูเกือบหัวใจหยุดเต้นหรือแทบกินข้าวไม่ลงไปหลายวันอันนี้เข้าขายต้องเสวยวิบากเป็นคนขี้กลัวได้มีนักประพันธ์นิยายเขย่าวขวัญมากมายที่เก่งในทางทำเรื่องธรรมดาให้น่ากลัว ใช้วัตถุสามัญมาเป็นเครื่องประกอบชาเขย่าวขวัญเช่นตุ๊กตาเด็กก็ทำให้เป็นตุ๊กตาผีหรือรูปตัวตลกกลายเป็นปีศาจอมมาหิตพวกนี้ต้องหมกมุ่นอยู่กับจินตนาการสยองขวัญสันประสาทยอยู่เรื่อยๆวิบากที่ได้รับทันตาคือฝันร้ายบ่อยแล้วก็เก่งในการแปลงฝันร้ายเป็นพล็อตเรื่องน่ากลัวเสียด้วย นักเขียนบางคนอาการหนักขวัญบินง่ายล็อกแลกเหมือนกลัวใครจะมาทําร้ายทั้งที่จริงไม่มีและบางรายเท่าที่ทราบก็ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตมีความยึดมั่นจินตนาการของตัวเองรุนแรงต่างกันมากน้อยเพียงใดคนที่เคยต้องบําบัดจิตแต่ไม่หายขาดก็แสดงให้เห็นว่า อย่างแก้วิบากเก่าไม่ขาดมีแนวโน้มว่าเกิดใหม่ก็ต้องสวยวิบากเมเดิมๆต่อกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแค่ยกบางตัวอย่างบางกรณีแบบไม่เจาะจงเพื่อสรุปว่าหากเป็นกรรมเก่าประเภทที่ไม่ใช่ประเภทแกล้งสันประสาทผู้คนแบบถึงเลือดถึงเนื้อด้วยความสะใจสุดเอวียงก็ไม่น่าจะแก้ยากนัก เพราะการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งคือการตั้งต้นล้างไพ่ใหม่อยู่แล้วในตัวเองคำว่าล้างไพ่ในที่นี้หมายเอาการล้างความจำเก่าเป็นหลักนะครับวิบากกรรมจะไม่ถูกล้างไปด้วยอย่างไรก็ต้องติดเป็นเงาตามตัววันยังค่ำจนกว่าจะชดใช้ให้หมดหมดไปเพื่อแก้ไขอาการกลัวของลูกคุณ ก่อนอื่นเราต้องมีความรู้เบื้องต้นว่าความกลัวคืออาการที่จิตหดจิตปิดแคบจิตมืดมนซึ่งล้วนมีโทสะเป็นมูลก็แก้เสียด้วยคู่ปรับของโทสะคือเมตตาทำอย่างไรก็ได้ไม่จำกัดขอให้จิตขยายจิตเปิดกว้างจิตสว่างสวัยเบิกบานในเชิงเมตตาเป็นพอยกตัวอย่างที่ทำกันมาก คือให้เด็กสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆแม่ต้องเป็นคนนำถ้าให้ดียอมลงทุนเช่าพระพุทธรูปสวยๆมาเป็นประธานโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านเพื่อให้จิตของลูกเข้าไปจับอยู่กับความงดงามขององค์ท่านให้องค์ท่านเหนียวนำความมีใจเปิดสบายการเปิดใจรับอำนาจพุทธคุณที่ส้านผ่านสายตา จะช่วยลดความกลัวลงได้ง่ายๆในระดับหนึ่งยิ่งเด็กติดใจในรูปที่เห็นประจักษ์ตาเท่าไหร่ความกลัวอย่างไร้เหตุผลก็จะลดลงเท่านั้นมันถามเขาหลังสวดมนว่ามีความสุขไหมถ้าเขาว่ามีความสุขก็บอกว่าความสุขนี้จะติดตัวไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เขายังนึกถึงองค์พระอยู่ อุบายวิธีอื่นๆที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดเมตตาจิตก็เช่นให้เขารู้จักการให้อาหารสัตว์ทำบุญใส่บาตรพระตอนเช้าตลอดจนกระทั่งหัดให้เขาพูดจาสุภาพอ่อนโยนเหล่านี้ก็จะเป็นทับเสริมวัลลนิดวัลลนอยต่อไปเขากลัวอะไรก็พยายามแปลสิ่งนั้นให้เขาคิดในทางมงคลเช่นกลัวหนังสือ ก็หาหนังสือที่มีพระพุทธรูปสวยมาให้ดูถ้ากลัวใบไม้ก็วาดรูปใบไม้ให้เขาระบายสีสอนว่าสีเขียวทำให้เย็นตาดีนะลูกอีกทางหนึ่งคือพยายามฝึกให้เขาเป็นคนมีเหตุมีผลมากๆเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้ทำความเข้าใจที่มาที่ไปด้วยเหตุผลได้ หลีกเลี่ยงที่จะให้ระบบความคิดของเขาถูกกระทบกระเทือนด้วยเรื่องลี้ลับอธิบายที่มาที่ไปยากเมื่อเขาต่อขึ้นเป็นคนมั่นใจในเหตุผลที่สุดการเกิดใหม่ที่ได้แม่คอยช่วยประคองในครั้งนี้ก็จะช่วยเจือจางวิบากเก่าให้อ่อนกำลังลงกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีเห็นอะไรอะไรสว่างและอบอุ่นไปเองครับ